ระหังสมมาสมบูทหะควาพระ บ, บูมีพระบคาคเจ้าเป็นพระอรหันดาเพลิงกิเลสเพลิงทุสิ้นเชิงไดสรุปจบได้โดยพระ ทางพระควันตังอาภิวาเดมีอมาบาเจ้าอาภิวาพระผู้มีพระภาคเจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เมกบานกราบสวงข้โต๊ง พระคาตาธรรมโมระธรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมงนามสามาธิธรระเจ้านามสกรรมัรธธรรมกล สุปฏิปนโนว์ภาคาวะตวสหาวะกะสังโคพ ร, ระสงสาวกของพระผูมิพระภาคเจ้าปฏิบาติแล้วสัางขังนะมามี อาบเจ้านอบนอมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมบดาสะ น a โม阿达萨ภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะน a โม阿达萨ภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อ่นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสได้สรูปชอบได้โดยพระองค์เอง อนามัยังพุทธานุสตินยังการรมาเสตจางโคอาบานาภะขวานตางเอาวางกันลยะโนอักิติสาโทอาภูุขโต ก็จิตศักอินงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ่มไปแล้วอย่างนี้ว่าเทติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาระหัง เป็นผู้ไรจากิเลต ม, มาสัมพุทโทเป็นผู้ไรสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณ n สัมป p โ n o เป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิชาและจารณะ สุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลภกิทุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ ง, งอนุจารวบริารรสราทธมาสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งกว่าสาธานเวามานุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เมกบานด้วยธรรมภาควาติ เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนศาสตร์ดังนี้นัมายังพุทธภิกขีติงกโรมะเซมพุทธวารหันดวาวรัตาทิคุณาปิยุโ ต, โตพระพุทธเจ้าประกอบโดยคุณ มีความปรเสริฐแห่งอาราธิคุณเป็นตนสุธาพิยนณกรุณาหิสมาคตตโตมีพระองค์อันตระกอบด้วยพยาน <c oughs> และพระการุณาอันบริสุทธิ์ เดชโยชุชานาตังกรรมรังวสุโรราองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิธรรมบัวให้บานวันธรรมธรรมรานางศิรษะาชิเนนทัง ไหวพระพุทธสีบูไม่มีกิเลสพระองค์นั้นโดยเสียนคราวพุทโอยยอยสาพานินางสารานางเข ม, มามุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ได เป็นสาระ น, าอนะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธมานุสติทานังวันธามิทังสิเรนงังข้ามพเจ้าว่วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันเป็นดีตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียรกราวบุดาสหาสามีทาสวาพุทโธเมสามิกิสาโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายมีสระเนื้อข้าพระเจ้ามันโถนุกาสาขาตาจาวิทาตาจาิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุก และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แอ่้าพระเจ้าบูาสาหังนิยานเดมิสาริรันชีวิตันทีทางอามพระเจ้ากายเทวชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันทานโตหังจริสามิอุดาเสวะสุโภทิธรรมพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพุทธธรรมซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า นาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังของค้าพะเจ้าไม่มี <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าเป็นสรณาอํนประเสริฐของข้าพเจ้าเอนเดนะศาสาาวเจนะวะตายังสาธุศาสเนด้วยการเคล้าวคํสาสัตว์นี้ อาพระเจ้าพึงจะเรินในพระศาสนาของพระศาสดาโคทังแมวันธมาเนอยญปุญางประสุทังอิทาอาพระเจ้าผู้ว่ายู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวัญขวายบุญได้ในบัดนี้ สาเภียนตรายาเมมาสุงดาสเดชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเด็แห่งบ uh ุญนั้นกายนาวจายาวเจตสาวา ก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจกด็ดีพุทเธกุกามังบกตังมายายังกำมหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพูโทปฏิคันฮัตวัวาเจยันตงัง อ, อพระพุทธเจ้าจงองยสึ่งโทษหลวงเกินอนานตการตะเรสังวริตุงวาพุทธเทเพื่อการสามรวมระหวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปเปิงสือไปหน้า47เจนหน้าส7เจ็ อันดมยังเคมาเคมาสารนาทิปิกาคาทายโยพนามาเสบางเวสารนางยานติปะภาตานิวานิจาาอารามารุคาเจตยานิมนุสสพปยาตาชิตามนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคู่คมแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างอาไม้บางอารามและลูกขาเจดีย์บางเป็นสารานะเนตังโคสารานังเขมังเนตังสารณะมุตตมัง เนตังสารณามาขมาสภะทุขามุจาตินั้นไม่ใช่สารณาอันเกษมเลยนั้นมีใช่สารณะอันสูงสุดเอาอาศัยสารณานั้นแล้ว ยอมใหพนจากทุกทางพ่งได้โยืจาพุทธันจาธรรมันจาสังขันจากสารังคาตัวจาการิอาิีาสัจนนิสัมมาปัญญาญาปัสสติ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 อริยจัตถังจีกังมะคังดุคูบาสามาคามินังเอือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวรวงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเรื่องถึงความระงับทุกข์ เอตังโคสราณังเขมังเอตังสราณามุตตามังรณนามาขามาสัพปุฆาปมุจจะตินั่นแหละเป็นสารณนาอันเกษมนานเป็นสารานาอันสูงสุด เอาอาศัยสารานันแล้ยอมพ้นจากทุกทั้งปวงได้